คือในติดสะเมตยะสูตรที่เจ็ดหน้าห้อยหกสิบเอ็ดในสูตรนี้กล่าวถึงกุลบุตรเพื่อนกันสองคนเนี่ยนะไปฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคแล้วก็ทั้งคู่ก็ออกบวชทีนี้พอออกบวชนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนอีกคนหนึ่งก็สึกไปก็สึกไปมีครอบครัวทีนี้มีอย น, นึ่ง พระพุทธเจ้ากับภิกษุที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เสด็จไปทางบ้านบ้านของเพื่อนที่ศึกไปเนี่ยก็เลยเรียกไปเรียกเพื่อนมาเนี่ยนะไปเรียกเพื่อนมาพอไปเรียกเพื่อนมาแล้วเนี่ยพระที่เป็นพระอรหันต์ก็ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเพื่อจะสอนเพื่อนที่ศึกไปเนี้ว่าท่านพระติสสะเมตยะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ปโปรดตรัสบอกซึ่งความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมพวกข้าพระองค์ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาในวิเวกเนี่ยนะบอกว่าถ้าศึกไปเสพเมถุนไปมีครอบครัวเนี่ยมันมันคับแค้นยังไงมันเดือดร้อนอยังไงเนี่ยนะให้พระองค์ได้แสดงโทษภัยของความเดือดร้อนความคับแค้นเหล่านี้ด้วยเถิด อธิบายคำถามว่าคำว่าของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมคำว่าเมถุนธรรมก็คือเป็นธรรมะของอาศรบุรุษธรรมะของชาวบ้านธรรมะของคนเลวธรรมะชั่วยากธรรมะมีน้ำเป็นที่สุดธรรมะอันพึงทรรในที่ลับธรรมะอันพึงธรรมด้วยความเป็นของคู่กันเป็นของคนคู่กันเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าเมถุนธรรมเพราะเป็นธรรมะของคนทั้งสองคนผู้กำหนัด กำหนัดกล้าชุ่มด้วยราคะมีราคากำเริบขึ้นมีจิตอันราคะครอบงำเป็นเช่นเดียวกันทั้งสองค น, ง น, นกิเลสครอบงาทั้งคู่เหมงอนนเพราะฉะนั้นเลยเรียกว่าเมถุนธรรมก็อุปมาเหมือนว่าคนสองคนทำการทะเลาะกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนทำความมุ่งร้ายกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนทำความอื้อฉาวกันก็เรียกว่าคนคู่ คนสองคนทำความวิวาทกันก็เรยียกว่าคนคู่คนสองคนก่อที่กอนกันก็เรยียกว่าคนคู่คนสองคนพูดกันก็เรยียกว่าคนคู่คนสองคนปราศัยกันก็เรยียกว่าคนคู่ฉั้นใดธรรมะนั้นก็เป็นธรรมะของคนทั้งสองคนผู้กำหนัดกำหนัดกล้าชุ่มด้วยราคะมีราคะกำเริบขึ้นมีจิตอันราคะครอบงำเป็นเช่นเดียวกันทั้งสองคนฉะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าเมทุนธรรม ถูกกิเลสครอบงำกันทั้งคู่เนี่ยนะคำว่าบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมได้แก่ของบุคคลผู้ประกอบประกอบทั่วเอื้อเฟื้อ น, นะประกอบเอื้อเฟื้อประกอบพร้อมในเมถุนธรรมคือผู้ประพฤติในเมถุนธรรมมักมากในเมถุนธรรมหนักในเมถุนธรรมน้อมไปในเมถุนธรรมโน้มไปในเมถุนธรรมโอนไปในเมถุนธรรมน้อมใจไปในเมตุนธรรมมีเมถุนธรรมนั้น่นเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมเนี่ยนะก็คือการมีครอบครวัวนั่นแหละพันท่านพระติสสะเมตยะเนี่ยนะท่านถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกขขอพระองค์ตรัสบอกซึ่งความคับแค้นเนี่ยนะว่าการทําแบบนั้นแล้วมันคับแค้นเดือดร้อนอยังไงมั้นขอพระองค์ตรัสบอกคือโปรดบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนก แสดงประกาศซึ่งความคับแค้นความเข้าไปกระทบความเบียดเบียนความกระทบกระทั่งความระทมทุกความขัดข้องนะว่ามันขัดข้องยังไงเมื่อข่าพระองค์ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วคือได้ฟังได้สดับได้ศึกษาเข้าไปทรงเข้าไปกาหนดซึ่งพระดำรัสคำเป็นทางเทศนาคาพร่ำสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาในวิเวกนะ คือขอให้พระองค์เนี่ยตรัสบอกว่าความคับแค้นความเดือดร้อนเร่าร้อนของผู้ที่ประกอบเมถุนธรรมว่ามันเดือดร้อนอยังไงถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วจะไปศึกษาวิเวกสา ม, มวิเวกก็คือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวก <c oughs> คำว่าวิเวกก็คือกายวิเวกเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมส่องเสพเสนาอันสนะคืออันสงัดเนี่ยนะ คือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเป็นผู้สงัดกาอยู่คือเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบินทบัตในหมู่บ้านเนี่ยผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งอยู่ในที่หลีกเร้นผู้เดียวอธิฐานจงกรมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปอยู่เปลี่ยนอิริยาบทประพฤติรักษาเป็นไปให้เป็นไปนี้เรียกว่ากายวิเวก ส่วนจิตวิเวกเป็นไฉนิกษุเข้าปฐมฌานมีจิตสงัดจากนิวนณ์เข้าทุติยะฌานก็มีจิตสงัดจากวิตกวิจารณ์เข้าตติยะฌานก็มีจิตสงัดจากปีติเข้าจตุทัชฌานก็มีจิตสงัดจากสุขและทุกข์เข้าอากาสารนัญจายตนะฌานก็มีจิตสงัดจากรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีจิตสงัดจากอากาสานันจายตนะสัญญา เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานมีจิตสงัดจากอากินจัญญายตนะสัญญาเมื่อเป็นพระโสดาบันก็มีจิตสงัดจากสักกายติฐิวิจิกิจฉาสีระพตะปรามาธิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับสกายติฐิเป็นต้น เป็นทัสกาธาคามีก็มีจิตสงัดจากการมาราฆสังโยชนิยติฆสังโยชน์การมราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างหยาบและจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับการมาราฆสังโยชน์เป็นต้นเป็นพระนาคามีก็มีจิตสงัดจากการมาราฆสังโยชนิยติฆสังโยชน์เผากามราคาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างละเอียดและจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับการมาราฆสังโยชน์ อย่างละเอียดเป็นต้นนั้นเป็นพระอรหันต์ก็มีจิตสงัดจากรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจฉาวิชามานานุสัยภาวราคานุสัยอวิชานุสัยกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับรูปปราฆะเป็นต้นนั้นและจากสัพพะสังขาร น, นิมิตทั้งปวงในภายนอกนี้ชื่อว่าจิตวิเวกเอันจิตวิเวกก็คือรูปรรประชาญสี่อรูปปชาญสี่และก็พระอริยบุคคลสี่ มันรูปประชานสีก็สงัดจากนิวรณ์เป็นต้นอารูปประชานสี่ก็สงัดจากรูปประสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ท่านเหล่านี้ก็มีจิตวิเวกจากอากุศลเนี่ยนะวิเวกจากสมุทัยสัตว์ส่วนอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกเนี่ยนะก็ต้องรู้จักอุปธิก่อนว่าอุป ธ, ปธิคือกิเลสขันอภิสังขารก็คือกรรมวิบากกิเลสนลั่นแหละเรียกว่าอุปธิ อันนะั้นก็คือสังสารวัตนั่นแหละเป็นอุปธิละอมตะนิพานชื่อว่าอุปธิวิเวกเพราะอมตะนิพานเนี่ยสงบระงับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดจึงชื่อว่าอุปธิวิเวกอันพระนิพานนั้นเป็นอุปธิวิเวก ก็กายาวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกออกผู้ยินดียิ่งในเนคขมะเนี่ยนะเพราะผู้ที่ปรารถนาเนคขมะเนี่ยก็เน้นกายาวิเวกนะความไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะส่วนจิตวิเวกก็ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงซึ่งความเป็นผู้พองแผ้วอย่างยิ่งนะผู้มีจิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์เป็นต้นด้วยรูปปัจจันอรูปปัจจันและ อ, อริยผลของพระอริยทั้งหลายเนี่ยนะ ส่วนอุปธิวิเวกก็มีแก่บุคคลผู้หมดอุปธิซึ่งถึงนิพานอันเป็นวิสังขารก็คือนิพานนั้นไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คำว่าจาักศึกษาในวิเวกความว่าพระเถระนั้นมีศึกขาอันศึกษาแล้วโดยปกติคือจริงๆแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วนะพระติสเมตยะเนี่ย พระเถระนั้นเมื่อจะทูลขอพระธรรมเทศนาจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าจักศึกษาในวิเวกเพราะเหตุนั้นท่านพระติสสะเมตยะเถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผู้เนรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกซึ่งความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมพวกข้าพระองค์ได้ฟังคําสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาในวิเวกสามเห็นไหมว่าเมื่อ ไปเกี่ยวข้องไปส่องเสพเมถุนธรรมเนี่ยนะเสียหายอย่างไร <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าคําสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมย่อมเลอะเลือนเนีย่ยนะคสั่งสอนทั้งปริยัตปฏิบตัตก็เลอะเลือนเละเอะเทอะเสียหายหมดอ่ะนะปริยัตก็เสียหายปฏิบตัตก็เสียหายบุคคลนั้นย่อมปฏิบตัตผิดนี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสริฐในบุคคลนั้น ก็ปริยัตปฏิบัติหายไปหมดแล้วก็ปฏิบัติอันนั้นก็ปฏิบัติด้วยอากุสลอยู่แล้วทำด้วยอากุสนเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ประเสริฐนะอันนี้คือความเสียหายที่เห็นเนเสือเส่อมจากปริยัตเสื่อมจากปฏิบัติเนี่ยนะแล้วก็ขอ้อสิ่งที่เขากาลังทำอยู่เนี่ยเป็นกระทำความผิดคำว่าผิดไม่ใช่ผิดกฎหมายนะแต่ว่าผิดก็คือจะต้องจมอยู่ในวัตตะเป็นต้น คำอธิบายคำคำว่าเมทุนธรรมเนี่ยนะคำว่าเมถุนธรรมก็เป็นชื่อของธรรมะของอาศตบุรุษเป็นของชาวบ้านเป็นของคนเลวเป็นของชั่วหยาบมีน้ําเป็นที่สุดอันนําเป็นต้องทำในที่ลับแล้วก็เป็นของที่คนประกอบด้วยราคะเนี่ยเป็นของคนคู่ของคู่กันของคนคู่นะถามว่าเพราะเหตุใดจึงเรียกว่าเมทุนธรรมเพราะเป็น ธรรมะของสองคนผู้กำหนัดผู้กำหนัดกล้าชุ่มด้วยราคะมีราคะกำเริบมีจิตอันราคะครอบกรรมครอบงามเป็นเช่นเดียวกันทั้งสองคนกิเลสเล่นงานทั้งคู่นะก็อุปมาเหมือนคนสองคนทะเลาะกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนมุ่งร้ายกันก็เรียกว่าคนคู่คนสองคนอื้อเฉากันวิวาทกันก่อที่กรรกันพูดกันตราัสากันก็เรียกว่าคนคู่ฉันใด ธรรมะนั้นก็เหมือนกันธรรมะของคนทั้งสองผู้กำหนัดกำหนัดกล้าชุ่มด้วยราคะมีราคะกำเริบมีจิตอันราคะครอบงำเป็นเช่นเดียวกันทั้งสองคนฉะนั้นจึงเรียกว่าเมถุนธรรม <c oughs> บุคคลผู้ประกอบในเมตุนธรรมเนืองๆก็คือของบุคคลผู้ประกอบประกอบทั่วประกอบเอื้อเฟื้อประกอบพร้อมในเมตุนธรรม คือผู้ประพฤติในเมถุนมักม า, ก, มา ก, ใมกในเมถุนหนักในเมตุนน้อมไปในเมถุนโน้มไปในเมตุนโอนไปในเมถุนน้อมใจไปในเมตุนมีเมตุนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลผู้ประกอบเนืองเนืองในเมตุนเพราะนั้นพวกที่ประกอบเนืองเนืออย่างนี้ก็ย่อมเลอะเละือนเลอะเทอะเนี่ยนีก็คาสั่งสอนทั้งที่ทเป็นปริยัตปฏิบัติก็หายไปหมดบุคคลนั้นก็เป็นการปฏิบัติผิด ทีนก็ในบาลีนี่ก็มีคําว่าพักควาแทรกอยู่ในคถาด้วยเพราะฉนั้นอธิบายคําว่าพักควาก่อนพักควาก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้านะคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเป็นพระนามเครื่องกล่าวด้วยความเคารพเนยะนะคนที่เคารพกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะถ้าเป็นทางแขกเนี่ยนะ อันใครใครใครเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือที่สุดเขาจะเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกอย่างหนึ่งคําว่าพักวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเพราะทรงทําลายราคะทําลายโทสะทําลายโมหะทําลายมานะทาลายทิฐิทําลายเสี้ยนน้ําทําลายกิเลสจึงชื่อว่าพักวะเพราะทําลายบาปอาคุลนะนะทำลายอาคุสนลมูลทําลายมานะทิฏฐิเสี้ยนน้ากิเลสนี่แหละพระเพราะทําลาย กิเลสแบบนี้จึงเรียกว่าพักวารเชื่อว่าพักวารพระอัธาว่าจำแนกจำแนกพิเศษทรงจำแนกวิเศษเฉพาะซึ่งพระธรรมรัตนะก็จำแนกพระวินยัยจำแนกพระสูตรจำแนกพระอภิธรรมเนี่ยนะจำแนกสติปทานสัมมาปทานอิทิบา ท, อ, ท, บาทอินทรีย์พะละโพชฌงค์อารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดจำแนกข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อ่ะอย่างนี้จึงเรียกว่าพักวาร หรือเรียกว่าพักวาเพราะอาัฐาว่าทรงทําลายซึ่งที่สุดแห่งภพทั้งหลาย น, นะคือทําลายต้นเหตุที่จะนําไปสู่ภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นต้นเหตุที่จะทําให้มีภพต่อไปเนี่ยพระองค์ทําลายแล้วหรือชื่อว่าพักวาเพราะอาัฐาว่ามีพระกายอันอ บ, บรมแล้วเนี่ยนะกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะอ บ, บรมเรียบร้อยแล้วมีศีลอันอ บ, บรมแล้วก็คือจารีตศีลวารีศีลก็อ บ, บรมหมด มีจิตอันอบรมแล้วเนี่ยนะด้วยสมถะวิปัสนาเนี่ยนะมีปัญญาอบรมแล้วก็คือน่อนระดับอริยมรรคมันสรุปก็คือผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะส่วนไหนที่พระองค์ยังไม่เจริญไม่มีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพาักว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่องเสพเสนาสนะอันสงัดเนี่ยนะที่เป็นป่าละเมะและก็ป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกกร้อง ปราศจากผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทํากรรลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระขวาร น, นะพระพุทธเจ้านี้ยินดีในที่สงับยินดีในที่สงบสงัดยินดีในที่วิเวกเลยนะการที่พระองค์ยินดีในที่สงบสงัดวิเวกเนี่ยประกาศถึงพระองค์เนี่ยไม่ประกอบไม่ผัวพันในการมัศุขคัลิกานุโยคเนี่ยนะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์ทําก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความผูกพันพะฉนั้นพระองค์จึงยินดีใน เสนาสนะอันส a งัด